จะหลอพนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงือบใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาวกิจการงานต่างๆ จึนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลพราะมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสรรโลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมนี้ไม่ได้หมายคมว่าบาปกรมนี้หมายความว่าการกระทาซึ่งเป็นได้ทั้งบุญและบา ทั้งโลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของการกระทาของตนจะทำดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นถ้าทำกรรมดีเรียกว่าบุญถ้าทำกรรมชั่วเรียกว่าบาปถ้าทำบุญก็จะได้ความสุขได้ความเจริญได้สวรรค์ได้มรรคผลนิพพาน ถ้าทำชั่วทำบาปก็จะได้นรกได้อบายเพราะนี่คือ <c oughs> สิ่งที่จะสร้างสภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นขอให้เข้าใจว่าคำว่านรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมังผลนิพพานก็ดีไม่ได้เป็นสถานที่คือไม่ได้มีอยู่ในขณะนี้ ตรงนั้นเหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่แต่เป็นสภาพที่ใจสร้างขึ้นมาเองด้วยการกระทำของตนเองคือการกระทำทางกายวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ถ้าใจคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใจก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปิดเป็นนรกใจนี้ใจนี้แหละผู้สร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างความเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาอยู่ที่การกระทําการกระทําดีก็จะได้ใจที่ดี การกระทำชั่วก็จะได้ใจที่ชั่วใจที่มีความโหดร้ายทารุณใจที่มีความทุกข์มีความรุ่มร้อนอยู่ที่ใจทั้งหมดร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนกับภาชนะหรือเป็นเครื่องมือของใจเป็นผลที่ได้จากการทำบุญหรือทำบาปถ้าทำบาป ใจก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานถ้าทำบุญใจก็จะได้ร่างกายของมนุษย์หรือถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะเป็นเทพเป็นพรหมใจนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้ เป็นพระอริยเจ้าก็ได้หรือจะเป็นเดรัฉานก็ได้เป็นนรกก็ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทำดีคือคิดทำบุญให้ทานคิดรักษาศีลอย่างนี้ใจก็จะเป็นเทพคือคิดแล้วก็ต้องทำด้วย คิดว่าวันนี้จะทำบุญยอมเสียสละเวลายอมเสียสละเงินทองก้อนหนึ่งมาทำบุญมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมาเอาความสุขมาให้แก่ผู้อื่นใจก็เลยมีความสุขใจก็เลยกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มีร่างกายของมนุษย์อยู่ แต่ใจได้พัฒนาสูงขึ้นไปแล้วแล้วถ้าได้นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบได้ใจก็จะเป็นพรมขึ้นมาแล้วถ้าปรงได้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้นวนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความทุกข์ให้แต่ความทุกข์ ความสุขที่ให้นี้ไม่มากเท่ากับความทุกข์ที่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราถ้าสามารถเห็นได้แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์เป็นได้ในขณะที่ ยังไม่ตายไปพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้ตายไปตอนนั้นมีพระชนายุ36มสิพรรษาอายุ36ปีก็ทรงพัฒนาจิตใจของพระองค์ให้กลายเป็นพระอาหารหันตระสมมาสัมพุทธเจ้าได้พระนิพพานแล้วในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ พระนิพพานนี้ก็แปลว่าใจที่ได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปไม่มีหลงเหลืออยู่ผู้ใดที่สามารถชำระใจของตนได้ด้วยตนเองคือไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนมาบอกก็จะเป็นพระอรหันตตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาชำระ กายวาจาใจของตนชำระใจของตนให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกแต่ความสะอาดบดยสุดของใจนิพพานของพระพุทธเจ้าหรือนิพพานของพระอาหารหันตสาวกนี้ก็ไม่แตกต่างกันเหมือนกันเหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้รับการซัก <c oughs> จนสะอาดแล้วจะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงหรือของผู้ชายก็สะอาดเหมือนกันจะซักเองหรือให้คนอื่นซักให้มันก็สะอาดเหมือนกันใจนี้ก็เช่นเดียวกันใจที่สะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันตาสาวกก็ดีก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน เป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดต่อไปเพราะไม่มีเชื้อหรือไม่มีเมล็ดแห่งวัฏจักรนั่นเองมเมล็ดของวัฏจักรก็คือความโลภความโกรธความหลงเพราะได้ถูกมเมล็ดของนิพพานคือทานศีลภาวนาทำลายหมดสิ้นไปแล้วจึงใจจึงมีแต่ความสะอาดโดยสุด ไม่มีเชื้อที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้านี้กับใจของพระอาหารหันต์นี้ไม่ต่างกันต่างกันที่สถานภาพความได้ความบริสุทธมานี้ต่างกันภาษาโกนี้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก่อนถึงจะรู้วิธี ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์และบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ก็จะไม่มีพระอาหารหันต์ตสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกได้เลยเพราะไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาพอที่จะรู้วิธีที่จะทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ที่จะทําให้ใจเป็นพระนิพพานได้ ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวในแต่ละพุทธสมัยเช่นสมัยพุทธสมัยของพวกเรานี้ก็มีพระเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารที่เคยบำเพ็ญบุญบา ร, รมีอย่างที่พวกเรากำลังบำเพ็ญกันอยู่ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรม ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่แหละที่จะค่อยๆสะสมบารมีต่างๆให้มีมากจนสามารถพัฒนาหรือชำระใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้การปรากฏของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากเพราะจะต้องใช้เวลาบำเพ็ญ บารมีต่างๆเป็นเวลาหลายภพหลายชาติด้วยกันจนกว่าจะได้กำลังพอที่จะสอนให้ใจรู้จักวิธีปลดปลิ่มภพชาติต่างๆให้ออกไปจากจิตจากใจได้แต่พอรู้เพยงองเดียวแล้วมาสอนผู้อื่นผู้อื่นนี้ถึงแม้จะไม่ได้เคยบำเพ็ญบุญบารมี มาเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนหนึ่งล้านต่อหนึ่งก็ยังสามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้สามารถตัดภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดได้แม้บ ำ, บำเพ็ญบารมีเพียงหนึ่งเท่าถ้าเปรียบกับบำเพ็ญการบารมีของ พระพุทธเจ้าที่ล้านเท่านี้เพียงแต่บําเพนบารมีเพียงหนึ่งเท่าก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ซึ่งปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพียงเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระศาสนาก็มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่รูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ในวันมาค้าบูชาวันมาฆ้าบูชานี้เป็นวันเพ็ญเดือนสามวันประกาศพระธรรมคําสอนครั้งแรกนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8พอเจดเดือนต่อมาก็มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยหนึ่รูปแล้วแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมคําสอนไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวปรากฏ อยู่ในโลกนี้เลยนี่คือปัญญาบารมีของพ่ะพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอนของพ่ะพุทธเจ้าเขาจึงถือว่าการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพ่ะพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคย่างมหาศาลเพราะจะมีโอกาสสามารถบรรลุถึงพระ อ, อรหันต์ได้ไม่ไม่ยากเย็นเลย เพียงแต่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าสามารถปฏิบัติตามพระสูตรที่มีชื่อว่าสติปัฐานสูตรได้คือให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้พิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราได้ พระพุทธเจ้าก็รับประการได้เลยว่าอย่างมากเพียงเจ็ดปีเท่านั้นก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าฉลาดเพียงเจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้ถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เจริญสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับคือให้มีสติ ควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นในขณะนี้เรากำลังฟังเทศก็มีสติดึงใจให้อยู่กับการฟังเทศไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปทำอะไรทั้งสิน้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติ ถ้าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้อยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทุกขณะเราจะมีเชือกที่จะคล้องคอจิตจิตนี้เป็นเหมือนลิงตัวหนึ่งถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอไว้ลิงมันก็จะเพ่นพ่านไปตามสถานที่ต่างๆเวลาจะจับมันมาเข้ากรง มาให้ข้าวให้ปลาให้น้ำหรือให้มันหลับนอนนี้จะทำไม่ได้จะเหนื่อยกว่าจะหามันเจอแต่ถ้ามีเชือกผูกมันไว้แล้วผูกมันไว้กับเสา อ, อย่างนี้มันก็จะไปไหนไม่ได้พอจะให้ข้าวให้น้ำหรือจะจับมันเข้ากรงให้มันหลับนอนมันก็ทำได้อย่างง่ายได้ใจของเราก็พอมีสติแล้ว เราจะจับมันเข้าตรงคือสมาธิให้มันสงบให้มันนิ่งเราก็สามารถทำได้เพียงนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้ไปคิดกับเรื่องอื่นทั้งสิน้นลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออก รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวไม่ต้องไปบังคับลมลมจะเป็นอย่างไรก็รู้เท่านั้นแล้วก็อย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาให้รู้อยู่ที่จุดเดียวตอนต้นก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูก ตรงที่ลมเข้าลมออกรู้อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆถ้ามีสติรู้อยู่อย่างต่อเนื่องจะไม่นานเลยห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบจะพอสงบแล้วจิตก็จะปล่อยวางลมปล่อยวางร่างกายบางทีร่างกายนี้ก็จะหายไปเลยเหลือแต่จิตล้วนๆอยู่ตัวเดียวคือ สักแต่ว่ารู้ตอนนั้นไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นรับรู้อยู่อย่างเดียวว่ามีความสุขอย่างมหาสัจจใจเป็นความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในโลกนี้ไม่มีความสุขใดแต่โลกที่จะมีความสุขดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตนัตติสันติปรังสุขขันสุขอื่นใดในโลกนี้ ไม่สามารถที่จะเทียบได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันเรามีภารกิจต้องทําเราก็ทําไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เจริญสติควบคู่ไปด้วยกําลังทําอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่น กำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวกำลังกลืนก็ให้รู้กำลังเคี้ยวกำลังกลืน อ, อยู่อย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติ <im g ly> ถ้าเคี้ยวไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถ <im g ly> ึงเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ <fish> ถ้าไม่มีสติพอจะมาดูลม <im g ly> มันก็จะไม่ดูมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทน ดูได้สองสามครั้งแล้วก็ไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นั่งเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบแล้วจะนั่งไม่ได้เพราะนั่งไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็จะลุกขึ้นมาแต่ถ้ามีสติอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องจิตก็จะสงบตัวเข้าไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ไม่นานก็จะวุบลงไปนิ่งแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นร่างกายจะไม่รู้จะไม่รับรู้อาการเจ็บปวดของร่างกายเลยจะนั่งนานสักเท่าไหร่ก็ตามพอออกมาก็เหมือนกับว่านั่งเดียวเดียวเท่านั้นเองอาการเจ็บปวดนี้จะไม่มีเลยนี่คือผลที่เราจะได้รับขั้นต้นคือได้รับความสงบ พอจิตของเรามีความสงบแล้วจะมีกำลังจะมีความสดชื่นเบิกบานจะไม่มีอารมณ์ของกิเลสคือโลคโกรธหน่งมารบกวนใจในขณะที่สงบพอออกจากสมาธิแล้วความสงบก็ยังมีอยู่ต่อแต่จะเริ่มค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอเอาออกจากตู้เย็นทิ้งไปสักระยะหนึ่ง ก็จะค่อยๆ ค, ความเย็นก็จะค่อยๆหายไปความสงบของใจพอออกมาใหม่ๆก็ยังสงบเย็นสบายอยู่ดัง น, นั้นท่านให้เรามาเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาให้พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เริ่มต้นให้พิจารณาร่างกายต่อก่อนให้พิจารณา ดูว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาดูว่าร่างกายนี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ก็คืออาหารนี่เองอาหารนี่ก็เป็นธาตุอาหารนี่มาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟเราจะไม่มีอาหารเช่นถ้าเราไปอยู่โลกพระจันทร์ โลกพระจาน์นี้ไม่มีลมไม่มีธาตุลมมีแต่ธาตุดินไม่มีธาตุน้ำปลูกอะไรไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกผักไม่ได้ก็จะไม่สามารถมีอาหารมาทำให้ร่างกายนี้เจริญเติบโตได้ร่างกายนี้มาจากข้าวที่เรารับประทานดินน้ำลมไฟพอมาเข้ามาร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นอวัยวะต่างๆนี่คือร่างกายท่านให้สอนให้เรามองให้ดูว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราผู้ที่กำลังพิจารณาศึกษาร่างกายอยู่นี้คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟที่ใจมาครอบครองตอนที่อยู่ในท้องของแม่พอแม่ตั้งท้องใจก็มาครอบครอง ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะความหลงทำให้ใจคิดอย่างนั้นพอคลอดออกมาก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราตอนนี้พระพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเรามาแก้ความหลงแก้ความเห็นผิดให้มามองให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอตายแล้วอาการสาสสองก็จะแยกออกจากกันน้ำก็ไปส่วนน้ำดินก็อยู่ส่วนดินลมก็ไปไฟก็แยกออกจากกันไปร่างกายถ้าทิ้งไว้เฉยๆต่อไปก็จะกลายเป็นกระดูกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ ใจเพียงแต่มาครอบครองใจเป็นเหมือนน้ำที่เข้าไปอยู่ในขวดน้ำน้ำกับขวดน้ำนี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันพอขวดแตกน้ำก็ไหลไปที่อื่นต่อใจก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปใจก็ไปต่อถ้ามีเชื้อของภพชาติก็ไปต่อถ้ามีบุญพาไปก็ไปพบที่ดี ถ้ามีบาป พ, พาไปก็ไปพบที่ไม่ดีแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่จนกว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเกิดศรัทธาก็ปฏิบัติจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง พอมีสติแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิออกมาจากสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญามาพิจารณาร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราจนสามารถปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เดือดร้อน เพราะรู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์นั่นเองรถยนต์เป็นอะไรเราก็ดูแลรักษาไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปก็มีเท่านั้นแต่ใจจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่ทรมานใจถ้ามีปัญญาถ้าพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของร่างกายความไม่มีตัวตนในร่างกายพิจารณาจนติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปจะปล่อยวางได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ปล่อยวางมาเป็นจำนวนมากแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระสติปัฏฐานสูตรบทนี้แล้วนำไปปฏิบัติปรากฏเป็นพระอารหันต์เป็นพระอาริยะเจ้าขั้นต่างๆเป็นจำนวนมาก มีมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธการและยังมีอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกคือไม่เสื่อมตามการตามเวลามีประสิทธิภาพเต็มที่เหมือนเดิมในสมัยพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพอย่างไรในสมัยนี้ก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันอยู่ผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง จะปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติมากท่านว่าเจ็ดวันก็บรรลุได้ถ้าน้อยหน่อยก็เจ็ดอาทิตย์ถ้าน้อยกว่านั้นก็เจดเดือนถ้าน้อยกว่านั้นก็เจ็ดปีหรือถ้าน้อยกว่านั้นอีกก็คงจะต้องรอชาติต่อไปหรือเจชาติ <c oughs> <c oughs> ก็มีตามลําดับอยู่ที่ความเพียรของเราเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้ พระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงสาวกท่านทำหน้าที่ชี้ทางสอนเราบอกเราแต่เราจะต้องเป็นผู้เขี่ยวเข็นตัวเราเองเราต้องเขี่ยวเข็นตัวเราให้เจริญสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่เตยขึ้นมาก่อนจะทําอะไรก็บอกก่อนเลยว่าตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นกาลังทาอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับเหตุการนั้น ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจะเห็นความแตกต่างว่ามันสงบได้อย่างรวดเร็วจริงๆเพราะใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจดจ่ออยู่เรื่องเดียวจิตจะสงบลงได้นี่ต้องมีเรื่องเดียวเท่านั้นจะใช้ลมหายใจก็ได้หรือจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ให้เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นอย่ามีสองเรื่องให้เป็นเรื่องเดียว แล้วใจจะรวมลงได้อย่างแน่นอนถ้ารวมลงไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังไม่ดีพอก็ขอให้เราพยายามฝึกสติต่อไปฝึกไปไเรื่อยๆทำไปไเรื่อยๆอย่าท้อแท้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมีผู้ที่เขาพยายามมาแล้วแล้วสำเร็จกันมาแล้วเป็ น, เ ป, นเป็นอริยสงสารกที่พวกเรากล่าวไหว้บูชากันมาเป็นจำนวนมากแล้ว เราต่อไปเราก็จะเป็นได้ถ้าเราไม่ท้อถอยถ้าเราไม่เกียจคร้านถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่จิตใจของเราอย่าทําบุญเพื่อลาบยศสารเสริมสุดนั่นไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทําบุญ การทำบุญเพื่อชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำใจของเราให้สิ้นสุดจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปทำเพื่อเป็นเศรษฐีหรือเป็นใหญ่เป็นโตเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่นานเป็นได้เดียวเดียวเดี๋ยวแก่เดียเดยเด๋ยวเจ็บแล้วก็ต้องตายไปสู้อย่ากลับมาเกิดดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์กับการแกร่การเจ็บการตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่าง ต้องชำระกายวาจาใจาให้สะอาดบยสุดนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นอยู่ที่มรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ราบยศสารเสริญสุขเพราะราบยศสารเสริญสุขนี้ก็คือกองทุกนี้เองกองไฟมีใครอยากจะเข้ากองไฟบ้างมรรคผลนิพพานนี้เป็นห้องปรับอากาศไม่มีใครไม่อยากเข้ากัน พอร้นนี่ทุกคนก็รีบเข้าห้องปรับอากาศกันทันทีไม่มีใครอยากจะเข้ากองไฟกันเพราะฉะนั้นอย่าหลงกับลาบยศเสริญสุดเพราะพุทธเจ้าท่านมีปัญญาท่านเคยอยู่ในกองไฟนี้มาแล้วท่านเป็นถึงราชกุมารแต่ทําไมท่านถึงสละฐานะภาพของราชกุมารเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นกองไฟของใจนั่นเอง มันเผาผานใจให้มีความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาพอออกไปบวชแล้วใจก็เย็นเหมือนเข้าห้องปรับอากาศแล้วก็เย็นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาสร้างความสงบสร้างความเย็นสร้างความสุขให้แก่จิตใจของพวกเราจึงขอฝากเรื่องการมาบาเพ็ญในวันนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณฑศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเก็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวรนณาสุขภาระโดยทั่วหน้าการ